ครับลูกอูดุลครับไหนลูกอูดุลดิลกีบบริรามด้วยสุินสรดินสุดินครั บ, รบอืมการเสรียดเนะี่ยต้องการเวลาพูดเริ่มพูดที่แรกเรื่องพูดตั้งนะเช้านี้ได้พูดเรื่องมาคบูชาตามที่ได้กล่าวคําบูชาเมื่อสักครู่นี้ ธรรมดาแล้วก็จะไม่ซ้าในคำนี้ออันนี้มีหลายท่านหลายคณะมารวมกันจึงจะมีการซ้ำบ้างเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายระลึกถึงความประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐพระธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า แต่ละองค์ละองค์นั้นซึ่งท้ายวันเช่นนี้นั่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ด้วนแล้วแต่เป็นองค์ประสุหาที่ต้องปิดไม่ได้ใจของเราได้ทุ่มเทลงไปสิ่งธรรมะหรือธรรมชาติที่ประสิฐวันนี้นับว่าเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราอย่างยิ่งการทำประตักษิณ สรอบคือทำความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีองค์พระประธานเป็นสักขีพยานคือองค์แทนแห่งศาสาดาในครั้งพุทธการท่านถือการเดินทำประทักษิณสามรอบเป็นความเคารพถือการยืนเป็นการเคารพเพระเนาะฉะนั้นเวลายืนอยู่ถ้ายืนอยู่พวกญาติโยมนั่งอยู่ จึงห้ามไม่ให้แสดงธรรมถ้ายืนต้องยืนด้วยกันนั่งต้องนั่งด้วยกันอันวายยนะังงดังนั้นการทำระทักสิงสามรอบบางท่านจะไม่เข้าใจคือแสดงกิริยาความเคารพด้วยการทำระทักสิงสามรอบนี่คือความเคารพเป็นอาการหนึ่งความเคารพอาการน่งซึ่งแสดงในวันเช่นนี้เพื่อท่นทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ พระที่ท่านเราทั้งหลายได้เลือกถึงท่านนี้เป็นพระที่ประเสริฐประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนผู้ที่กล้าเข้าทิ้งทำอันประเสริฐจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐจิตใจเป็นผู้เข้าจิตใจเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงทำได้โดยสมบรูรณ ทำอันประเสริฐนั่นย่อมปรากฏที่ดวงใจใจกับทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านปริพานแล้วจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าท่านจิตท่านท่านบริสุทธิ์หรือว่าพูดพูดได้ว่าจิตเพราะผ่านจากสมมติไปแล้วสมมติคือธาตุขันธ์ได้แก่สกล น, นาายเมื่อมีสกลกายอันเป็นสมมติ ที่อาศัยกันอยู่กับจิตที่เป็นมิมุติหลุดพ้นไปแล้วนั้นจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เรียกได้ว่าจิตบริสุทธิ์เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอได้ผ่านจากขันธ์นี้ไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติใดเข้าเจือปนในจิตดวงนั้นแล้วจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งดวงยังไม่เรียกว่าจิตอีก และคําว่าปริพันธ์นั้นกหมายถึงว่าเอาเรื่องสมมตินั้นได้ดับสนิทไปหมดแล้วไม่มีชิ้นต่อกันเลยไม่เหมือนท่านที่ยังครองขันอยู่ทั้งที่จิตบริสุทธิ์ขันนี้เป็นธรรมชาติที่สมมติจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์พอผ่านไปแล้วเรียกว่าปริพาน์ดับรอกหมดแล้วที่นี่ปุ่นยังไงแต่ก่อนดับเฉพาะกิเลสภายจในจิตใจ พอธาตุขันเลยผ่านออกไปสลายลงไปสู่สภาพเดิมของตนแล้วนั่นเรียกว่าปริผานคือดับหมดยิเรกก็เป็นอันว่าดับไปแล้วตั้งแต่ขณะปรัชรู้แล้วขณะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแลว้ววาระสุดท้ายขันก็เป็นอันว่าดับผ่านไปแล้วจากจิตดวงนั้นหมดความรับผิดชอบกันสภาพ ของขันกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสำคัญที่มองเห็นได้ชัดละลายตัวลงไปสู่สภาพเดิมของเขาส่วนจิตที่บริสุทธิ์นั้นทานออกไปที่นี้ไม่เรียกว่าจิตได้อีกแล้วธรรมชาตินี้แลที่เรียกไม่ได้นี้แหล่ที่เราทั้งหลายได้กราบระลึกอยู่ทุกวันนี้ว่าพุทธังสาาง่านครฉามคือธรรมชาตินี้ ทำมังสนังคาฉามีสังคังสนังคาฉามินี่เราพูดตามอาการสามอย่างเมื่อได้เข้าถึงความมือสุดเต็มที่แล้วกรมตื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นอาการเข้าสู่ธรรมดวงเหลียวแต่ยังไงก็ตามเมื่อโลกสมมติยังมีอยู่ธาตุการของเรายัางมีอยู่ต้องเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งที่ระรูปนั้นนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐมีอยู่ตลอดกาลเวลาไม่ได้สูญสิ้นไปไหนวันที่ท่านประธานพระอาวาตปาติโมกนั้นเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถ คือประธานพระาวาสแก่พระหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆจึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถแสดงแก่ท่านผู้บริสุทธิ์ในเนื้อความแห่งพระอาวาที่แสดงนั้นท่านแสดงไว้ว่าสัปะปัสสะากัลลันังการไม่ทำความชั่วทั้งปวง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 อนุปาคาโตะทําทำความเบียดเบียนและทำลายผู้อื่นปาติโมเทศจะสร้างมารโอให้สังรวมอยู่ในหลักพระวินัยเรียบร้อยเป็นที่สวยงามสำหรับเพศของพระมัตตัญูตาจะผัสตัดมิ่งมีที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนเพื่อการบำเพ็ญธรรมะรม เป็นที่สงบสงัดงบเงียบปรณจศรยนาสนังอธิจิตเตจอาโยโวการทำจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปเริ่มดับจนกระทั่งฉุดขีแห่งความยิ่งถึงขั้นแห่งความประเสริของจิตเอตังพุทธานสาสนังนี่ก็เป็นคำตั้งสอนของพระพุทธทเจ้า แต่ระพระองค์พระองค์เช่นเดียวกันนะเีื่ามัตตันยูตาจะพดตัสมิงในบทหนึ่งความรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉันการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องสนับสนุนสําหรับนัก บ, บวชผู้บวชมาในศาสน า, าขันห้านี้เป็นเหมือนโลกทั่ ว, วไป ออกมาแล้วจงมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับโลกเป็นแต่เพียงว่าต่างกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องหลับทำหลักนิ่งในเท่านั้นส่วนใหญ่เหมือนกันเห็นกีวรก็หมายถึงผ้านุ่งผ้าห่มเน่ยสบงสังคาติถ้าเป็นคณรวาก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเป็นผ้าก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่แยกไปเป็นกีวรเป็นสบงเป็นสังคาติ สรุปความลงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะเพื่อบําเพ็ญหรือเพื่ออยู่ด้วยความสะดวกสบายและเพื่อบําเพ็ญตนด้วยความราบรื่นไม่ขัดขอ้องยุง่งเยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีบินธมาต์ได้จากการขบการฉันมันตันยุตาจะผ่าตัดสมิงให้รู้จักประมาณในการขบการฉัน นี่อยู่ในโอวาทปาฏิโมกที่ท่านแสดงแก่ให้เป็นวิสุทธิโบสถแก่พรอาอารหันทัน250องค์วันนี้ได้ยกธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงให้ท่านถึงเป็นนักบวชทั้งหลายฟังตลอดถึงประชาชนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีขอบมีเขตมีความพอดิีพอดีเช่นเดียวกับพระต่างกันแต่เพียงว่าแนว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 ขบฉันหรือรับถา ด, ดเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแล้วก็ทำความสิ่งเปลืองและทำความเสียแก่เจ้าของเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วย่อมจะแก้ได้ยากท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระเรา มัดตันอยูตาจะผัดตัดทั้งนิ่งนี่มีหลายบทหลายบาทมีหลายแห่งหลายหนมากทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงย้ำแล้วย้ำเล่ากลัวพระจะลืมตัวกลัวว่าลิ้นจะแซงทำปากท้องจะแสงอัดแซงทำไปเสียไปที่ไหนก็มีจะลิ้นออกข้างหน้าแซงหน้าไปเสียท้องแซงหน้าไปเสียปากแซงอัดแซงทำไปเสียทําเลยโผล่ขึ้นมาได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความเห็นแจ่ปากแก่ท้องแจ่ลิ้น ท่านจึงสอนไว้อย่างนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมสาคัญมากการปฏิบัติต้องเลยสังเกตจอดรู้ตนอยู่เสมอผู้ต้องการความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมไม่ต้องการความเจริญด้วยปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้มีความเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยขอบเขตของธรรมณะและไม่ให้ใช้สอยหรือขบฉันให้เลยขอบเขตของสมณะที่จะ เป็นการทำลายอัตธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมศูย์อันตรายทานหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้อยยบย่ำทำลายท่านจึงสอนแนวสอนเน่าอยู่เสมอเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยท่านปัดปันตัญจเสะนาสนัง่งที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดนะฟังดที่ไหนเป็นที่สงัด สั้งแต่วันบวชมาที่แรกพระพุทธเจา้าขอประทานพระโอวาทให้เรียบร้อยแล้วจงสร้งถึงอุปชายยะทุกวันนี้้วยกนบุตรสุดท้ายภายหลังจะต้องบอกอนุาสาททั้งนิสัยสี่นี้ให้เว้นไม่ได้อุปชายยะองค์ใดเว้นเป็นต้องตรดจากความเป็นอุปชายยะทันทีเพราะ ทำให้ขาดสิ่งจำเป็นเกิดความเป็นพระหน้าที่ของพระไปะลุขโมูรเซนาสนานิซ่ายบปะปะชาตัทะเจยาวชีวังอุซ่าโคกรรยกนโันรระชาไปสมบต์แล้วให้สั่นทั้งหลายไปเที่ยวเสาะแสวงหาอยู่ตามลุขฮมูล่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้าเนื้อผาตาโลกชัดอันเป็นฐานที่สงบสงัดสะดวกสบายแก่การบเาเพ็ญชนะธรรมปราถจ่าสิง ทุกข่านก่อควรต่างๆให้พยายามทำอย่างนี้ตลอดชี้เถิดนี่คือโอวาทอันสำคัญที่อุปชาย ท, ทุกทุกองค์บวชคุณระบุดขุดท้ายภายหลังแล้วบวชคุณระบุตรเสร็จแล้วต้องได้ให้โอวาทข้อนี้นนงานของพระที่จะเป็นไปเพื่อความวิเศษจับสิทธาณจิตใจของตนคืออะไรก็คือกรรมาฐานเวลานั้นเป็นระยะที่สั้นมากท่านจึงสอนงาน มอบงานให้เพียงสั้นๆว่าเกษาโลมานาขาทันตาตะโจเพียงเท่านี้ซะก่อนนี่หมายถึงอะไรเเกษาโลมานาขาทันตาตะโจนี่หมายถึงผมขนและปันหนังนึกหนังให้เอานี้ไปพิจารณาขี้คลาดูตามหลักความจริงของมันในสถานที่ที่เป็นที่สงัดงเงียบอันเป็นความสะดวกแก่การพิจารณาขี้ครายงานเหล่านี้ให้ดูแจ้งแทงทะลุไปตลอดถึงอาการสารสองภายในร่างกายของตน ทั้งข้างนอกข้างในอชัตตาวาพระหิทธาวะเทียบสัตว์ให้โดทัรรทุกสัตว์ทุกส่วนโดยความเป็นจริงทุกขังนอนัตนตาปฏิกูลโสโคกเต็มไปหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคลแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนี้ไม่มีใครยิ่งย่อนกว่าใครเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้มีหละคือ ง, งานให้ท่านพิจรารณาทซ้อนอย่างนี้ให้รู้แจ้งทางทลุจิตมันเข้าแทรกเข้าแซงเข้าสิงอสิ่งที่ อะเป็นกิเลสนั่นแ่ะมันเข้าแทรกคือมันลบล้างความจริงของธรรมไปโดยลํำดับขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วตั้งลบล้างของจริงทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมทําเป็นจอมแข่งความจริงเฮ้ยจริงเที่ยวปักปันเฉดแดนเอาไว้หมดสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามสิ่งนี้เป็นนิจจงความเที่ยงสิ่งนี้เป็นสุขขังความสุขสิ่งนี้เป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเรา ตะเป็นจะตาอยู่ไม่กับว่าเราว่าของเราอยู่ตลอดไปนี่เรื่องเรื่องของกิเลสต้องขัดความต่อธําอย่างนี้ที่ท่านะพิจารณาลงตามความจริงความจริงเป็นอย่างใรทำท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นเช่นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะั่ร่างกายของเราทุกส่วนหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่มีมีแต่ความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายสลายลงไปสู่ความจริงของต้น ทุกครั้งก็ได้ยินแต่ทุกครั้งเราเราไม่เคยได้ขังทุกเอาไว้เพราะเราไม่ทราบความจริงถ้าเราทราบความจริงแล้วทุกจะมาขังเราไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีทุกตัวใดที่จะไปขังติตขังใจของท่านให้เป็นนักโทษเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยท่านดูเหนือทุกทั้งมวลดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพูดให้ฟังและได้ เขียนไว้ในประวัติของท่านว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนอนนิพพานบ้างทําไมท่านจึงทําผิดแปลกจากมนุษย์ทั่ ว, วไปในโล ก, กทานนี้เล่าก็เพราะความรู้ความเห็นความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้เหมือนกับโลกทั่ ว, วไป เพราะฉะนั้นท่านจริงไม่ได้ทําเหมือนโลกทั่วไปทุกขเวทนาในธาตุในขันนี้เป็นสักแต่ว่าสมมุติอันหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างรูปังคือกองรูปนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยนี่กับเป็นอาการอันหนึ่งของขันแต่ละหลายะอย่างละอย่า ง, างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมว แต่จิตของท่านได้ดูดพ้นแล้วจากความจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงขั้นมีมุตดจิตจึงเหนือสิ่งเหล่านี้โทุกภายในร่างกายวาระสุดท้ายจะเป็นขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทําจิตใจของท่านให้กระทบกระเทือนให้หวันให้ไวเอียงไปได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถปริพานตามท่าที่ตนขนาด ในวาระสุดท้ายได้ตามความสะดวกสบายของท่านโดยไม่มีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเข้าไปเหยียบย่ทำทําลายจิตใจของท่านให้เอียงๆไปได้เหมือนอย่างสามัญชนทัว่วไปเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงปรินิพานได้ในท่าต่างๆตามปัจยายสายของท่านยืนนิพานบ้างเดินนิพานบ้างนั่งนิพานบ้างนอนนิพานบ้างด้วยความเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจเพราะท่านไม่มีเวทนา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 แบบอย่างทราบด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหมือนพระพิณาสกท่านจึงต้องยึดต้องถือจึงต้องเกิดความทุกข์ภายนจิตใจขึ้นมาอีกต่อนหนึ่งเวลาร่างกายไม่สมประกอบหรือมีความทุกข์ความลาบากขึ้นในอวัยวะส่วนใดใจเลยกลายเป็นโรค <c oughs> กังวลโรควุ่นวายโรคเสียอกเสียใจขึ้นมาได้แต่พระกิณาสพท่านไม่มี เพียงแต่รับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในขันเท่านั้นขันก็เป็นขันจิตเป็นจิตจะไปแทรกสิงกันได้อย่างไรเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันขันแสดงตัวจนวราระสุดท้ายคือทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู่ในวงขันนี้ไมไ่สามารถ แ, แสดงตัวในวงจิตของท่านได้นี่แหละที่เรียกว่าพระหันท่านไม่มีเวทนามีเวทนาอยู่ภายในขันนี้ทานั้น ไม่ได้มีอยู่ภายใจิตใจของพระอรหันต์เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะไม่ปริพันธ์ในท่าต่างๆได้ตามความต้องการของท่านหรือตามอัตตาแต่งท่านได้อย่างไรผิดกับพวกเราอย่างนี้คําว่าเวทนานี่เป็นสมมติจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุปเบกขาเวทนาก็ตามจะมีได้ภายในร่างกายเกิดขึ้นภายในกาย สุเกิดขึ้นภานกายทุกเกิดขึ้นภานกายเฉยเฉยเกิดขึ้นภานายนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกิดภานาจิตของพระสานได้เลยเพราะจิตนั้นเป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจึงไม่มีเวทนาใดที่จะมาเสวยไม่มีเวทนาใดที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใ จ, ใจของท่านนอกจากสุขในหลักธรรมชาติดังที่ท่านว่านิพพานดังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในนิพพานหรือสุ ข, ขของท่านผู้บริสุทธิ์ กิจที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขของวิมุตติกิจเหนือจากสมมุตินี้ไปแล้วอยู่เหนือสมมุตินี้แล้วสุขนั้นจึงไม่มีคําว่าอนิจจ์เวทนาอนิจจ์อย่างนี้ไม่มีจะสุขก็เป็นอนิจจ์ทุกก็เป็นอนิจจ์อุเบกขาเฉยๆก็เป็นอนิจจ์ หรืออนิจจ์ถ้าเป็นเวทนาแล้วต้องมีอนิจจงที่เป็นคู่เคียงอยู่เสมอแต่สุขของพระอรหันต์สุขของวิสุทธิจิตนั้นไม่ใช่เวทนาจริงไม่มีอนิจจ์ทุกขังาตาเข้าไปแทรกได้เลยนี่ผิดกับสุขทั้งหลายของโลกสุขทั้งหลายในวงสมมติท่านชื่อเรียกว่านิพานังปรามังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่ง สุกนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิธ์เป็นสุขธรรมชาติไม่ใช่สุขเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเกิดแล้วต้องดับดับแล้วเกิดอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นมี่หลักกิจของพระอรหันต์มีความต่างกันอย่างนี้เราทราบเอาไว้การที่ทราบนี้จากการได้ยินในฝั่งนี้ไม่ได้เป็นความแน่ใจยังต้องมีความสงสัยอยู่เป็นธรรมดา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 เป็นอรหันต์ขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติมาได้เป็นขึ้นมาด้วยภาคจดจำเฉยๆความจำเป็นความจำความจริงเป็นความจริงเรานาความจำที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาไป พ, พูดปฏิบัติตามที่เราเข้า อ, อกเข้าใจจากการเรียนนั้นแล้วกลายเป็นภาคปฏิบัติขึ้นมาเมื่อปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วผลคือปฏิเวท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 ของเราชั้นใดของท่านชั้นนั้นของท่านชั้นใดของเราชั้นนั้นนิพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูจิตของเราก็รู้ถามนิพานว่าเที่ยงไม่เที่ยงไปไหนดูจิตของเจ้าของนิพานหรือไม่นิพานอยู่ที่จิตนี้นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเมื่อตั้งหลักขึ้นมาคำว่านิพานนั้นเป็นเงาหรือเป็นชื่อของธรรมชาติที่เราทรงอยู่เวลานี้รู้อยู่เวลานี้ได้จากจิตที่บริสุทธ์ นี่คือตัวประธานแทะดูตัวประธานแล้วสงสัยงอไปหาอะไรนี่ล่ะลักความจริงแล้วธรรมะคำตองสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอมาตั้งแต่ครั้งคุธการจนกรทั่งปัจจุบนันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะเหตุใดเพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยู่ภายในจิตใจของสว์โลกไม่มี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 เต็มสัตเต็มส่วนนั้นเองหาที่สงสัยไปไหนไม่มีเลยนอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติของเราจะเป็นรุ่งรุ่งดอนดอนสูงๆูงต่ํา่ไม่เป็นปัปไม่เป็นไปนตามหลักธรรมที่พระริจเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงไม่สมหวังถ้าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตามนี้แล้วมัชชิมาคือความเหมาะสมตลอดเวลาเมื่อการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมผลทําไมจะไม่เหมาะสมสมดุลกันล่ะต้องสมดุลผู้นี้แลผู้ที่จะรับ พระดกที่พระเจ้าประทานไว้แล้วพระพุเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานนี้เท่านั้นและสาวกทุกๆองค์อย่าว่าแต่เพียงพันสองร้อยห้าสิบองค์นี่เลยเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนนั่นล้านท่านสําเร็จมาจากมัชฌิมานี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่สําเร็จพรรคผลนิพพานได้นอกจากมัชฌิมาเป็นทางเดินเป็นเครื่องชาระสกักก็เป็นเครื่องหล่อหลอมให้จิต ด, ดวงนั้นบริสุทธิ์เท่านั้นขอให้เป็นที่มั่นใจในการพุทธปฏิบัติ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 มัจฉิมาปฏิบัติามีสติปัญญาเป็นสําคัญให้สอดส่องมองดูตลอดระยะเวลาซึ่งเรามีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ท้าบวชมาปล่อยหมดแล้วติดบ้านการเรือนอะไรอาหารปัจจัยทั้งสี่ที่กล่าวมานี้ประชาชนญาติโยมมีศรัทธาบริบูรณ์อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผู้ตั้งใจมาพึ่งปฏิบัติกำจัดกิเลสเพื่อได้บุญได้กุศลกับท่านเหล่านั้นท่านเหล่านี้มีศรัทธาเต็มภูมิอยู่แล้วแม้ตนทําม่ได้ก็พอใจที่จะสนับสนุนอา ปฏิบัติลงไปถ้าลูกศิษย์สถาโคตเข้าสู่สงครามแล้วไม่ต้องกลัวตายไม่ได้ตายเพราะการต่อสู้กิเลสส่วนมากมีตะกิเลสย่ํามีตีแหลกให้ตายทั้งนั้น่ะเราให้เห็นโทษแห่งการย่ามีตีแหลกของกิเลสจนถึงขั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี้ไม่พบน้อยพบใหญ่ไม่หยุดไม่ถอยมาจากาานกระทั่งบัณฑิตควรจะเห็นโทษในสิ่งนี้มากกว่าการที่จะต่อสู้กับกิเลสแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมากลัวตายกลัวตายไม่ต้องกลัว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 ถ้าเห็นขี้ดีกว่าใช่ก็พุงทะลุไม่รู้ตัวเลี้นแซงอยู่เรนะื่อยเน่ะแซงอัดแซงทำท้องปากมันแซงอยู่ด้วยหาเวลาว่างไม่มีมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะบรรจุเข้าเต็มเต็มเท่าไหร่ยิ่งบรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปสุดท้ายก็ตาทเพราอนาจของกิเลสความอยากไม่มีเมืองพอท่านจึงเอาธรรมมาสกัดลัดกั้นไว้ว่ามัดเอ่าโคชเนมตนัตันยูตาให้รู้จักประมาณ ในการขบการขันอย่าลืมเนื้อลวมตัวในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นสิ่งที่มุม่งหวังอย่างแรงกล้าคืออาจคือทำความพะเสดเลเ่อนเลยอยู่ที่ตรงนี้เอาทู่ลงไปจะตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสก็เห็นชท้ทีไม่เคยมีในศาสนาพระพุทธเจ้านี่นักต่อสู้กับกิเลสจนตายมีแต่กิเลสนั่นแหะตายแวต่อสู้ันเข้าไปต่อสู้ไปอย่างพระุทธเจ้าก็สรบสามหุนพระองค์ก็ไม่ตาย สุดท้ายกิเลสตายไม่มีเหลือเลยน่ะสาวกทั้งหลายแต่พักรับความทุกข์ทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสมามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านตายสุดท้ายกิเลสตายกิเลสตายจึงได้ปรากฏเป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาเพราะการต่อสู้นี่แหละคุณค่าแห่งการต่อสู้ทําให้คนบริสุทธิ์พุโทโธขึ้นมาในใจทั้งหลวงเราเป็นลูกศิตต ถ, ถาคตต้องถือเอาเยางย่างของพรงพุทธเจ้ามาดําเนินญาติศักแต่ว่าการาพุทธังท่งน า, งานนังกฉามิ ใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอวิชีไปไหนก็ไม่รู้ทำมังสังคังสนังกระฉามีว่าแต่ปากคิดแต่ใจแยบเดียวถูกกิเลสฉุดลากไปต้มตุนที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งวันหนึ่งหาเวลาที่จะคลองอัดทลองทําไม่มีถ้าดำเนินไปนิดๆหน่อยๆก็ว่าทุกว่าลําบากไปเสียซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนมายาของกิเลสมันหลอกมันลวงเราไม่เข้าช่องอัดท่องทำเพราะจะทานอํานาจมันไปเสียได้มันจึงไม่ยอมให้ไป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 เป็นปฏิกําลังความสามารถจงกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นตัวสู่ภาพเรียบร้อยอ่อนโยนพอที่จะต่อสู้มันด้วยความเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพน่ะนอนทําก็ได้เดินทําก็ได้จิตเถอนไปไหนมองไปไหนก็ได้อยู่สะดวกสบายกินให้มากนอนให้มากเหมือนกับหมูตัวหนึ่งกิเลสก็ตายไปด้วยตายไปด้วยเราไม่เคยเห็นมีแต่กำฟัดกันอย่างเต็มเหนียวเอา้ามันไม่ตายให้เราตายสู้กันไป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 มันมีกําลังมากมันทับผมจิตใจการภาวนาก้าไม่ออกตัดอาหารลงไปถ้าตัดเรื่องการหลับการนอนลงไปตัดต้นประเดลลำดับจิตใจจะได้ภาวนาด้วยความสะดวกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาร่างกายมีกําลังน้อยลงไปลดลงไปลดลงไปจิตใจมีกําลังกล้าแข็งขึ้นทุกระยะเวลาที่เราก่อความเพียรอยู่เราได้เห็นได้ชดัดเมื่อเป็นอย่างนั้นถึงจะยากละมากเราก็ต้องนทนเพราะทางไปสายนี้ ยาก็ไปง่ายก็ไปครุขะเราก็ไปเพราะทางไปอยู่นี่ทางเดินอยู่นี่นี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ทางเดินอุบายวิธีเพื่อฆ่าี่เลสให้ตายอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเลยทนทุกข์ทรมานตนเองทําไปเพราะเห็นผลอย่างนี้นี่หละการมาพุทธปฏิบตัติจึงต้องใช้อุบายหลายแง่หลา ย, ายทางไม่สักแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ได้คํานึงถึงเหตุถึงผลว่าได้ผลมากน้อยเพียงไรเดินสักแต่เป็นกิริยาใช่ไม่ได้ ต้องเอาให้จริงให้จังสติแนบอยู่กับอิตนี่แหละคือเป็นผู้รักษาจิสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นผู้ใกล้ควรเหตุผลดีชั่วประการต่างๆนี่สองอย่างนี้เป็นสําคัญวิริยะคือความเพียร น, นี่เป็นเครื่องสนับสนุนอ usaha าาพยายามความอดความทนความพ อ, พอใจเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ที่จะจดจ่อต่อเนื่องกันเพื่อการทำลายกิเลสแล้วสติปัญญาเป็นสําคัญมากเราไม่ เคยเห็นอันใด ท, ท, ท, ท, ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสติปัญญาในการปราบปรามกิเลส แ, แ, แม้ตั้งแต่ขั้นต้นๆสติปัญญาก็มีความจําเป็นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงวารคสุดท้ายเอาลงไปคํําคาว่าวารคสุดท้ายคืออะไรถึงขั้นกิเลสละเอียดถึงขั้นธรรมละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดไปตามกิเลสไม่อย่างนั้นไม่ทันกันใครจะว่ากิเลสมันโง่งเมื่ อ, อไหร่กิเลสจอมฉลาดจึงได้ครอง ไรภพนี้สารโลกเกิดตายอยู่นี้เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจของอะไรถ้ากิเลสไม่แหลมคมเหนือกว่าสารโลกใครจะไปเชื่อใครจะไปยอมจำนนกับกิเลสเพราะก็ทราบแล้วว่ากิเลสเป็นไผ่เหตุใดจึงไม่ทราบในขณะที่มันกล่อม <c oughs> ก็เพราะอุบายของเราสติปัญญาของเราไม่ทันมันั่นเองจึงต้องได้ยอมจำนนไมันไปโดยไม่รู้สึกตัว นีเวลาสติปัญญาเราผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาทันกิเลสประเภทนี้แล้วก็ต่อไปก็ทันกิเลสประเภทนั้นเห็นโทษของกิเลสประเภทนี้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนี้แก้เล่ห์เหลี่ยมนี้ไปได้แล้วแก้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนั้นไปโดยลําดับละค่าไปโดยลา ด, ดับด้วยเลื่อยไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอาพูดทำมันถึงเขียยถึงผลถึงอัดถึงทำฟาดขึ้นไปถึงมหาสติมหาปัญญาและเอาที่นี่น่ะอืคําว่ามหาสติมหาปัญญานหมายถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเปลียวอยู่ตลอดเวลาไม่มี ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกจากนั้นสติปัญญานี้จะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับได้ยับยั้งเอาไว้ไม่งั้นจะเลยเถิดดังท่านกล่าวไว้ในธรรมธรรมสังยชนเบื้องบนว่าอุทจจะความฟุ้งความฟุ้งซ่านล้ำขาดมอุทจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตัวเองไม่ใช่อุทจะอุาจจะแบบนิวรห้าซึ่งมีในสามัญนชนทั่วไป อุทจจานี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนจะตัดได้ด้วยอาหารตำรักเท่านั้นท่านพูดดาเนินอาหารตำมักจะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินในทำขั้นในทำข้อนี้จึงเรียกว่าอุทจจะาความเพลินเกินตัวก็ไม่ถูกหนาะนักถ้าหากว่าจะพูดเป็นการเตือนก็บอกว่ า, วาความเพลิดเกินความเพลิดเพลินเกินไปไม่ถูกหนาะงานแม้จะได้เพราะการกระทําก็จริงแต่การกระทํา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 พอออกจากการทักแล้วจิตจะมีกําลังวังชาสติปัญญาแหลมคมกิเลส ต, ตัวนั้นแหละสติปัญญาประเภทที่เคยแก้กิเลสนี้แหละใส่เข้าไปขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะกําลังสติปัญญามีมากเนื่องจากได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายแล้วนี่วิธีการดําเนินเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจที้ค้านหายหน้าไปหมดนอกจากได้รั้งเอาไว้ทํานั้นเพราะเหตุอะไร ความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจได้ยังไงความเห็นคุณก็ถึงใจเห็นโทษแห่งกิเลสทุกประเภทเห็นอย่างถึงใจเห็นอย่างซึง้งเห็นอย่างน่าเข็ียดน่าลากเห็นอย่างน่ากลัวคนเราเมื่อกลัวแล้วอยู่ได้ยังไงที่ไหนจะเอาตัวรอดได้ต้องแผ่นที่ไหนเห็นว่าจะพ้นภัยต้องแผ่นไปที่นั่นนี่จิตก็เห็นจะพ้นภัยด้วยวิธีไหนก็ต้องโดดออกอพ้นภัยด้วยวิธี ต่อสู้กับเกียก็ต่อสู้เหมือนที่ต่อสู้ด้วยปัญญาความเห็นคุณแห่งความพ้นทุกข์เพราะทำอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในใจโดยลําดับลําดาขึ้นมาแม้จะไม่ถึงขั้นอัศจรรย์เต็มภูมิก็ตามขึ้นชื่อว่าทําแล้วย่อมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อยู่โดยลําดับภาณในาจิตใจนั้นแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าภ า, า, ายในใจอยู่แล้วและเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีแจ่ใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติว่าให้พ้นเท่านั้น ไม่พ้นก็ให้ตายเท่านั้นคําว่าถอยมีไม่ได้แล้วนี่สติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นในขัง้งพุทธการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาอัตโนมัติไม่มีคําที่ว่าบังคับบัญชานอกจากรั้งเอาไว้เพราะจะเป็นอุทจฉะคือฟุ้งเกินไปเพลินกับการทำงานการพิจารณาค้นคว้าจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงต้องให้พักผ่อนภ า, ายในสมาธินะเสียเมือ่อมีกําลังแล้วพิจารณาค้นลงไป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 ไม่ใช่สมบัติของใครเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจของเราเป็นก็เราตายก็เราสุข ก, ก็เราทุกข์ก็เรารับทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยให้กิดเลสอย่าจ้ทำทําลายเจ้าของอยู่ตลอดไปสมควรแ ล, ล้วหรอต้องเอาให้จริงให้จริงนกปฏิบัติอย่ามองอะไรยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมหาเหตุอยู่ที่นั่นโรงผิดงานของกิดเลสประเภทต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วในขณะเดียวกันโรงผิดอัดผิดธรรม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 ความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความภาคความเพียรโดยวิธีการต่างๆนั้นก็เหมือนกันกันกบนากรบเมื่อได้ชัยชนะเต็มที่แล้วการรบพุ่งชิงชัยที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลงนีจ่จิตกับกิเลสทำปัญติปัญญากับกิเลสเมื่อได้ฟาดปันหั่นแหลกกันลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อก่อนแล้วเรื่องความหมุนติ้วติอยู่ด้วยสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไป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 ของผู้จะดําเนินตนเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางของกิเลสที่จะสั่งสมฟืนไฟายขึ้นพานาจิตใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ท่านทั้งหลายมาจากที่ต่างๆในมาอบรมศึกษาอยู่ในสํานักนี้ผมก็มีความเมตตาสงสารถึงจะมากบ้างก็ทนเอาท่านองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำผมเองก็ได้คิดเทียบเทยงทุกสัดทุกส่วนแล้วกับหมู่กับเพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้ว ไปสอบแสดงหาครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ต้องจิดต้องใจเป็นเป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นที่ลงใจของเรานั้นมันหายากเมื่อไปถึงครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่สนิทติดจมกับท่านด้วยความเชื่อกลอนสายจริงจริงแล้วเราพอใจที่อยู่อยากให้ท่านเมตตาสงสารใจจะขาดออกจากหัดไทยของเราขนาดนั้นทีนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมก็เห็นใจอย่างนี้เหมือนกันถึงจะไม่ได้อยู่ก็ได้รับการอบรมชั่วการเพื่อเวลาก็อย่างนี้นี่นะ ขอให้คิดเห็นอัรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้นําไปประพฤติปฏิบตัติอย่าท้อถอย อ, อนแอะสิ่งเหล่านี้เคยมีในหัวใจมาแล้วไม่เป็นของประเสริฐไม่เป็นของอศัศจรรย์นอกจากทํามประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรความหนักเอาเบาสู้เท่านั้นนี่วันนี้ได้อธิบายธรรมาภาคปฏิบตัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจทงางพระเป็นสําคัญ ชอบเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจิตใจประชาชนและเป็นผู้รักษาศาสนาในวงภายในและมีหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพศกับประกาศอย่างเด่นแล้วว่าเพศนี้เป็นเพศสมณะเป็นเพศที่บําเป็นอาจ ร, รมโดยถ่ายเดียวถึงได้แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจหรือปฏิบัติบรรณาสัตยานิยมทั้งหลายจิตใจก็เหมือนกันกับพระ ต่างกันแต่จักว่าเพศเท่านั้นจิตใจไม่มีคําว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความรักใคร่ชอบใจศรัทธานในศาสนาเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีทั้งหลายเป็นที่มุงคลแก่เราเช่นเดียวกับพรัชท่านประกอบหน้าที่การงานทางด้านธรรมะ ข, ของท่านเป็นที่มุงคลแก่ใจของท่านเรามาประกอบบําเพ็ญในคุณงามความดีทั้งหลายมีทานศีลภาวนาเป็นสําคัญ ก็เป็นที่มงคลแก่จิตใจของเราใจเป็นสําคัญมากขอให้พยายามบํารุงใจใจเป็นหลักใหญ่ใจเป็นนักท่องเที่ยวดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดหาความแย้งไม่ได้จะท่องเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้ท่องเที่ยวไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนเถิดคนเราจะเป็นที่เบา อ, อกเบาใจเป็นที่สะดวกสบายเป็นสุขะโต ไปก็ดีไปก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขเกิดในภพใดชาติใดถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใ จ, จเป็นเครื่องบำรุงจิตใจสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องเสวยของใจอยู่แล้วรู้สภายทั้งนั้นความดีจึงไม่ล้าสมายัยถ้าใคนพยายามตาเพลนวารานี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสําหรับเราทุกท่านถักชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดทั้งักในงานทั้งหลาย เก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทําไม่ความดีจึงไม่ล้าสมัยถ้ากครพยายามจำเพนวารานี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสําหรับเราทุกท่านถักชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดชั ง, งักในงานทั้งหลายเก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทําไม่เป็นขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ จะดีบเด่นฝันขวาริงใดก็ดีบเด่นเสียสมบัติภายในก็ให้มีสมบัติภายนอกก็ให้มีอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้